อพรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันรักสังขารของหลวงพ่อคำเขียนอ่เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ก็เลยจะมีกิจกรรมเพื่อบูชาสักการะหลวงพ่อนะแต่ไม่ใช่บูชาด้วยวัตถุสิ่งของดอกไม้ทุนเทียนอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ที่สำคัญคือว่าจะมีปฏิบัติบูบชานะเราจะ มีการปฏิบัตินะตั้งแต่สองทุ่มนะแล้วก็ไปจนตลอดถึงตีสามครึ่งของวันพรุ่งนี้<ม>ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติทำข้ามคืนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเชิญชวนนะญาติโยมยศิลปินศิษย์ของหลวงพ่อให้มาร่วมปฏิบัติ หรือใครที่มีศรัทธาจะร่วมปฏิบัติตะลงมาปฏิบัติตั้งแต่เช้านี้เลยก็ยิ่งดีนะเรื่องการบูชาด้วยการปฏิบัตินะเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นสิ่งที่พระเจ้าสารรเสริญแล้วก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนนะก็ควรจ ะ, ะปฏิบัติตามคามสอนของพระองค์ รวมทั้งเมื่อเรามีครูบาอาจารย์เราก็ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์รวมทั้งการทำความเพียรด้วยเรื่องการบูชาด้วยการปฏิบัตินะอันนี้มันก็เคยมีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยได้ทรงปรองอายุสังขาร นะในพรรษาสุดท้ายเนี่ยนะออกพรรษาเสร็จพระองค์ก็ทรงปรงอายุสังขารอันนี้พวกเราทราบดีนะทรงปรงอายุสังขารว่าจะเสด็จปรินิพานในวันเพ็ญเดือนหกของปีถัดไปนะพระสงค์เนี่ยหลายรูปพอได้ฟังคำตัดเช่นนี้เนี่ยก็ตกใจ เสียใจหลายคนก็นึกไม่ถึงนะเพราะว่าเป็นข่าวร้ายอยู่กับพระพุทธเจ้ามาก็หลายสิบปีไม่คิดว่าสักวันหนึ่งนะชีวิตนี้จะไม่มีพระพุทธเจ้าจิตใจก็หรือว่าหดหู่เคว้งคว้างขณะที่พระองค์ยังไม่ได้ไม่ทันจะเสด็จไปนิพพานเลยนะ ก็พระสงฆ์กลุ่มหนึ่งก็ก็เล็ส่วนใหญ่นะก็มานั่งปรึกษาหาลือกันไม่มีเรี่ยวแรงจะทำอะไรแล้วก็มานั่งคุยนะถึงเรื่องที่พระองค์เนี่ยจ ะ, สะเสด็จปรินิพนา์แล้วคงจะปรึกษาเรื่องงานเรื่องการกั น, กนด้วยที่เสืิมเนื่องกับการปรินิพนา์พระองค์แต่มีพระรูปหนึ่งนะชื่อพระติสรนะพระติสะในสายพุทธการนี่มีพระที่ชื่อติสระเยอะนะ เป็นร้อยท่านอาจจะเป็นพันด้วยซ้ำ ม, มันเป็นชื่อสา ม, มัญเมื่อได้ทราบว่าผู้เจ้าจะเสด็จปรติพานก็แทนที่จะแทนที่จะตกใจท้อแท้ก็มาคิดว่าเนี่ยเราเองนะตั้งใจจะปฏิบัติธรรมเพื่อความทุก์บัดนี้อีกไม่นานพระองค์ก็จะเสด็จปรติพานอยากก็นั้นเลยเราควรจะเร่งประทมความเพียรเพื่อให้ได้ บรรลุอรรผลก่อนที่พระองค์จะเสด็จปรินิพพานก็เลยปลีกตัวนะแยกตัวมาปฏิบัติแต่ผู้เดียวนะเพื่อทำความเพียรพิสุรุปื่นเนี่ยเห็นเช่นนั้นเนี่ยก็ไม่พอใจหาว่าพระติสารเนี่ยไม่มีความจงรักภักดีในพระพุทธเจ้านะขณะทีะ่ผู้คนกำลังเศร้าโศกเสียใจ นะในพระติศารกับหลีกเล่นนะไป อ, อยู่คนเดียวก็ไปทูลฟ้องุทธเจ้าุูธเจ้าก็เรียกตัวมาถามนะจริงุูธเจ้าคงทราบแล้วหละแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีกาวของุทธเจ้าเมื่อมีคำกล่าวหาติดเตียนพระองค์ก็จะเรียกคู่กะะรณีมาแล้วก็ซักถาม ซึ่งจะทำให้ผู้โจทก์ฟ้องเนี่ยได้รู้เหตุผลนะก็จะได้เข้าใจเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องหรือว่าถูกตาหนิเนี่ยได้เข้าได้ชี้แจงแสดงเหตุผลนะเป็นวิธีการที่พระองค์ใช้มาตลอดนะไม่ใช่พระองค์ไม่รู้นะพระองค์รู้แต่ว่าต้องการทาให้คนที่มีอะไรค้างคาใจเนี่ยได้เรียกว่าเข้าใจแล้วก็แล้วใจพระติสาก็พูดเหตุผลนะ ว่าทำไมถึงปลีกตัวไปปฏิบัติพู้เจ้าฟังแล้วก็อนุโมทนาสาธุ ก, การแล้วก็บอกให้พระทั้งหลายเนี่ยเอาพระองค์เป็นเอาพระติสาเป็นแบบอย่างคือผู้เจ้าเนี่ยอยากจะให้ภาษาวกเนี่ยสนใจการปฏิบัติมากกว่าที่จะมานั่งเศร้าโศกเสียใจนะเรื่องที่พระองค์จะปรินิพานเสียเวลาเปล่า ถ้าจะเอาเวลาในทำเนอยกันถ้าจะ เ, เวลาไปาไปซื้อของเพื่อเอาดอกไม้เอาทูบเทียนมาสักการะ บ, บูชาพระองค์พระองค์ก็คงจะไม่เห็นด้วยนะเอาเวลาเอาเรี่ยวแรงเนี่ยไปปฏิบัติธรรมทำความเพียรดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอภิสุบูชาเนี่ยแม้ว่ามันจะมีประโยชน์นะแต่ว่าก็สู้ปฏบบิบัติบูชาไม่ได้และบัด น, นี้หลวงพ่อคําเขียนก็ได้จากไปนะ เพราะหลวงพ่อก็ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้นะทรัพย์สมบัติก็ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้นะอาจจะทิ้งไว้ก็ก็คือวัดแล้วก็ป่าซึ่งก็เป็นบารดกที่หาค่าไม่ได้นะวัดป่าสุกตโตหรือว่าป่าที่หลวงพ่อได้ดูแลรักษาอันนี้ก็ในด้านนึงเราก็ต้องรักษาป่าที่หลวงพ่อได้อนุรักษ์ไวนะ้ซึ่งก็ได้ทำไปแล้วนะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา พระทั้งสามว่าที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อก็ไปปลูกป่ากันที่ภูหลงนะแดดแรงมากนะโดนเผากันเกรียมนะแต่ว่าก็สู้นะเพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพแล้วก็นักถือหลวงพ่อแล้วต้องการสานต่อมรอดกที่หลวงพ่อได้ได้มอบเอาไว้แต่ว่าหลวงพ่อยังมีมรดกอีกอย่างก็คือธรรมะนะคำสอนของหลวงพ่อนะ เราไม่เพียงแต่ฟังเฉยๆนะกควรจะนำมาปฏิบัติทําให้เกิดขึ้นด้วยนํำพัดนํำแรงของตัวที่จริงแล้วคงก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วทุกวันนะแต่ว่าอยากจะให้คืนนี้นะเป็นคืนพิเศษเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติทั้งคืนตลอดคืนเนี่ยมันก็จะได้มาอย่างเนื้อคือการทำความเพียรเป็นการทำให้จิตใจเข้มแข็งขึ้น เพราะว่าการทำแล้วก็ตามถ้ามันทำด้วยความยากลำบากเนี่ยมันจะทำให้จิตใจเราเข้มแข็ง เ, เพราะในระหว่างที่ทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยนะมันจะมีมันจะมีมะมกิเลสมาก่อกวนมาล่อลวงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วปฏิบัติทั้งคืนเฉลิ่ ฉันจะทำได้ยังไงเนี่ยแล้วสุขภาพฉันจะเป็นยังไงแล้ววันรุ่งขึ้นนี่ฉันจะไม่สบายหรือเปล่าอ่าเนี่ยกิเลสมันมามันหลอกมันลอ่อบางทีมันก็มีความท้อแท้ความไม่มั่นใจตัวเองอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องรู้ทันแล้วก็ข้ามไปให้ได้และกิเลสเหล่านี้เนี่ยมันจะมาตอนที่เราทาอะไรที่มันยากที่ไม่คุ้นเคย ทำอะไรที่มันง่ายๆนะทำสมาธิวเวละครึ่งชั่วโมงอันนี้มันง่ายๆมันกิเลสเนี่ยมันมันปรับตัวได้มันก็ไม่โผล่มารังควานแต่ว่ามันจะมารังควานตอนที่เราทำสิ่งที่ยากทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยนะอันนี้มารังควานแล้วเป็นยังไงเราก็รู้ไงเราก็ก็ต้องหาทางที่จะใช้สติใช้ปัญญาแล้วก็ใช้วิริยะเนี่ยเข้าไปจัดการกับมัน นะอันนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้ฝึกตนได้พัฒนาตนนะซึ่งปกติเนี่ยนะถ้าเราทำคนเดียวบางทีก็ทำยากนะในการที่จะไม่นอนตั้งคืนเนี่ยเพราะว่าเราก็มักจะมีข้ออ้างสารพัดฉันทําไม่ได้นะฉันไม่เคยทำสุขภาพฉันไม่ดีนะมันจะมีข้ออ้างเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำกันหลายคนเนี่ย มาร่วมกันทำเนี่ยมันจะเกิดกำลังใจในยามที่เราสึกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่เห็นเด็กนะเห็นคนแก่อายุเกยังทำอยู่เห็นเด็กอายุ15้ายังทำอยู่นะไอเราเป็นพระนะแต่โยมผู้หญิงเนี่ยโอเคเายังยังปฏิบัติก็อย่างจริงจังนะถ้าจะยอมแพ้เขาก็ ก, กระเลยอยู่นะจะเข้าไปนอนก็กระเลยอยู่นะไอเรายังแค่2ี่สิี่กว่าหรือไอเราปฏิบัติรมมาหลายปี นะแต่ว่าคนที่นักปฏิบัติเข้ามาใหม่เขายัางเต็มใจเาทุ่มเทพออีกคนหนึ่งก็ทำเียเราก็เกิดกำลังใจนะมันก็สามารถจะเอาชนะกิเลสเอาชนะความอ่อนแอความท้อแท้ภายในได้เรื่อกปฏิบัติทำแบบนี้เนี่ยมันมีตัวช่วยนะมันมีตัวช่วยเพราะว่าถ้าทำคนเดียวนะตัวช่วยมันน้อยมันก็จะพ่ายแพ้กิเลสยอมแพ้ต่อความอ่อนแอได้ง่าย ตัวช่วออยยานก็นคือว่าหลวงพ่ออมเขียนนะเราเราศรัทธาท่านนับถือท่านนะถ้าปฏิบัติคนเดียวในวันธรรมดาเนี่ยก็คงจะไม่มีแรงจูงใจนะที่จะกระตุ้นให้เกิดความเพียรแต่พอเราเราลึกว่าอ๋อทำถวายหลวงพ่อนะทำเนื่องในกาศที่หลวงพ่อมรณภาพครบสองปีนะหลวงพ่อมรณภาพแค่สองปีบอกว่าลูกศิษย์นี่นะ พ่ายแพ้ต่อกินเลยก็ันเป็นแถวเงี้ยมันก็เสียชื่อท่านนะต้องแสดงให้เห็นว่าเนี่ยแม่หลวงพ่อจะจากไปนะแต่ว่ากำลังใจหรือว่าศรัทธาที่มีต่อท่านก็ไม่ได้คลอนแคลนนะหรือว่าร่วงหลาหายไปไหนยังมีเหมือนเดิมหรืออาจจะยิ่งกว่าเดิมซึ่งก็สามารถจะแสดงได้ด้วยการที่เรามาพร้อมใจกันมา ทําความเพียรในวันนี้นะไม่ใช่ว่าพอหลวงพ่อจากไปสองปีคนที่ทําความเพียรแค่มีแค่สองสมคนเนี่ยนะโอนี่มันก็มันไม่ใช่แค่นาอบอายนะสําหรับคนที่เป็นลูกศิษย์เท่านั้นนะแต่มันทาให้สงสัยเอ๊ะทำไมคนที่จะทุ่มเทให้หลวงพ่อเพียงแค่นี้ยังไม่มีเชหรือนะเพราะนั้นเนี่ยนะโอกาสอย่างเงี้ยมันเป็นโอกาสดีนะ ที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถจาะระดมความเพียรมาได้ได้ดีกว่าเป็นโอกาสที่เราจะมีตัวช่วยในการที่จะเอาชนะกิเลส น, นะไอเรื่องการอดนอนเนี่ยนะมันก็มีเหตุผลที่จะทำให้เราอดนอนได้นะเช่นสนุกสนานเลื่อนเรองวันปีใหม่นะสังสรรค์กันกินเหล้ากันทั้งคืนจนถึงเชา้าเราก็ทําได้นะแต่เวลาเราจะทําความดีเนี่ยทำไมเราจะทําไม่ได้นะลองถามตัวเราเองบ้าง แล้วจริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องการหาทุกข์นะใส่ตัวนะัไม่ใช่นะไอการอดนอนเนี่ยมันก็มันก็ทําให้เกิดความทุกข์กายนะแต่ว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราจะฝึกใจว่าเออกายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ได้ไหมกายมันง่วงแต่ใจมันตื่นได้ไหมเนะี่มันเป็นเพียงแค่การบ้านนะเพื่อที่จะฝึกเราถ้าทําเต็มที่แล้วเออสู้ไม่ไหวนะไปนอนอ่านี่ไม่เป็นไรอย่างน้อยถือว่าได้ทําความเพียรแล้ว แต่ไม่ใช่ว่ายังไม่ทันจะทําเลยแล้วก็ยอมแพ้แล้วผู้เจ้าเปรี่ยบว่าเหมือนกับเวลาจะไปทําศึกสงครามเนี่ยกองทัพอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยังไม่ทันปรากฏตัวเลยเพียงแค่เห็นธงของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็ยอมแพ้ทิ้งดาบทิ้งห อ, อกแล้วเนี่ยอันนี้ผู้เจ้าเปลี่ยวเหมือนกับพระที่เราว่าไม่มีความเพียรหรือว่าไม่มีความกล้ า, ายังไม่ทันจะสู้เลยนะเพียงแค่เห็นธงเขานี่ก็ยอมแพ้แล้ว นะเพราะทงเนี่ยมันเห็นง่ายกว่ากองทัพนะเพราะมันอยู่สูงเออเห็นธงแล้วเนี่ยยังเห็นกองทัพมาก็ไม่กลัวอย่างน้อยก็ต้องสู้กันสักพักนะสู้กันสักยกนะสู้ไปแล้วนี่ก็ไม่ใช่ว่ายอมแพ้ก็ยังสู้อีกไปเรื่อยๆนะอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้นในในคืนนี้ถ้าเกิดว่าเรามาทำความเพียนด้วยการปฏิบัตินะก็เรียกว่าบาเพ็ญชากริยานุโยกนะในสัจชิกคือไม่เอาหลัง ไม่เอาหลังเนี่ยนะท่ า, ทากับพื้นจะเดินนะจะยืนจะนั่งนะหรือแม้แต่จะพิงเสาก็แล้วแต่นะแต่ว่าก็จะไม่ยอมนะพ่ายแพ้ต่อถินามิธะความง่วงนะซึ่งที่จริงมันก็เป็นเป็นลูกน้องของมารนะแต่เป็นลูกน้องชั้นเลวนะไอ้ถินามิธะความง่วงนี่เป็นเป็นลูกน้องฐานเลวของของ ข, ของพญา ม, มารพญา ม, มานี่มันยังมี ลูกน้องที่เป็นเสนาที่ยิ่งใหญ่เก่งกล้ากว่านี้เยอะถ้าเจอแค่ความง่วงก็แพ้แล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วนะจะไปเอาชนะกินเลดที่ใหญ่วันนั้นเอาชนะวิชานี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันอันนั้นอะ่ะมันเป็นเสนามาที่ฉลาดมากเก่งมากให้เรารู้ว่าเนี่ยความง่วงที่มันจะมารบกวนเราในคืนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจิจ้อยนะแล้วก็ความอ่อนแอก็เป็น เป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากนะเพราะกิเลสตัวจริงมันใหญ่กว่านั้นเยอะพยาบาลที่แท้จริงนะมันยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะถ้าแค่นี้ยังไม่ผ่านนะอย่างอื่นก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะก็ขอเชิญชวนนะค่านี้ก็มามาปฏิบัตินะถ้าทําได้ก็ครั้งคืนเลยนะแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าตั้งใจทําแล้วก็ให้ออมแรงเอาไว้นะไม่ใช่ปล่อยใจฟุง้งซ่านทํำ ใจที่ฟุง้งซ่านเนี่ยมันเป็นตัวบันทอนแรงนะทำให้ใจเนี่ยลาใจเนี่ยเหนื่อยได้ง่ายแล้วพอถึงเวลาจะไปปฏิบัติธรรม้างคืนใจที่มันท้อใจที่มันอ่อนแรง ม, มันก็เลยสู้กิเลสไม่ไหวนะเราก็น ะ, ะ, นะะเตรียมรับพร